ถนนรมบุรีจังหวัดบุรีรัมย์บริการส่งรวดเดียวทันใจทุกช่องทางแล้วก็มี อ, อะไรกล่องมีวัสดุกันกระท่งกันกระแทกกันน้ำจำหน่ายขายในราคาถูกอีกด้วยไ b o x อกหมายเลขโทรศัพท์0 8 1ย์9 2 5 1 2ครับถ้าอยากจะออกกำลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงสางภูมิต้านทานโควิดได้ด้วยต้องไปออกกำลังกายที่ศูนย์ ออกกันมาไกลฟิตฟิตฟิต อยู่เยื้องแสงเจเริยนการอย่างทางที่จะไปโรงเรียนมารีอนุสร์ครับฟิตฟิคณะนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้กําลังลดราคาค่าบริการเคยบริการคิดอัตราเป็นเดือนเป็นปีเคยตั้งไว้ปีหนึ่งคิดเท่านี้เดือนหนึ่งคิดเแถวนี้ครึ่งเดือนคิดแถวนี้อาทิตย์หนึ่งคิดแถวนี้เออหรือวันหนึ่งต่อวันก็ได้หรือใครจะมาให้คิดเป็นชั่วโมงอะไรผมเรียนชั่วโมงหนึ่งคิดจะได้ว่ามาหรือผมเรียนนิดเดียวนี่สิบนาทีคิดจะไร้ มีอัตราลดลดลดลดทุกอัตราเลยพี่น้องลองแวะไปถามดูนะครับฟิตฟิตฟิตศูนย์ออกกําังกายท่เรีว่ามาตรฐานสุดๆในจังหวัดวิรัามเยื่องแสงเจริญการยางทางที่จะไปโรงเรียนมารีอักนุษตรครับ พูดไปถึงท่านที่เกิดราศีธนูหรือเดือนธันวาคมดวงท่านระยะนี้จะเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์จึงควรระวังทรัพย์สินเอกสารสำคัญและกระเป๋าสตางค์ของท่านเพราะขณะนี้ตำราคารบุเพราะมีมิจฉาชีพมันจ้องสะกดรอยตามท่าน พร้อมที่จะวิ่งราวหรือล่วงกระเป๋าท่านนี่ทาดาครบุอยางไงนะครับมีมัดมิจฉาที่จ้องจะวิ่งราวล้วงกระเป๋าท่านสำหรับท่านที่เคยมีความรักแล้วมีอุปสรรคมาตลดทำให้รักไม่ราบรื่นจากนี้ไปความรักของท่านจะดีขึ้นราบรื่นสมความปรารถนาครับพรุ่งนี้วันศุกร์ เอวดาสถิตอยู่ทางทิศตะวันออกเขียงใต้เนือพุ่งมีเนือสีเสื้อผ้าอภรณ์เครื่องประดับหรือถูกฉลกสวมใส่แล้วนำโชคมาสู่ท่านนั่นคือเสื้อผ้าเครื่องประดับสีชมพูจำไว้นะครับวันศุกร์เสื้อผ้าสีชมพูครับและ เสื้อผ้าเครื่องประดับที่สวมใส่ในวันซุกแล้วสวยใส่แล้วเดือดร้อนใส่แล้วเจอเรื่องยุ่งยากสวมใส่เดินทางอาจจะประสบอุบัติเหตุภัยอันตรายทงถลุนก็ได้เสียอะไรรู้ไหมครับสีม่วงอ่อนครับวันซุกเทวดาอยู่ทั้งทิศตะวันออกเขียงใต้ เสื้อผ้าอาภรน้ำโชคถูกฉโลกนำสิ่งดีๆมาสู่ท่านสีชมพูแต่เสื้อผ้าอับโชคคือสีม่วงอ่อนครับหมดเวลาการปรการดวงเขาดวงเราวันนี้แหละครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาเป็นประจำครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่เหมือนเดิมเวลาเดิมและสถานีเดิมสวัสดีจ้า ดวมจะรุมจะรวงก็ดวงใครดวงมันไม่ต้องสั่งจองไม่ต้องแย่งกันบริการจากสวรรค์ให้ท่านเกิดมาพร้อมดวงดวงลองจุงเล่นคุณก็ยังเจ็บแต่ถ้าดวงแห่งขายแข็งลัดก็รวยคนดวงดีก็เหมือน สวทบุรีรัมน์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 1้1 7 5 m h z เม AM 1 3 6 8ง h z กเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารก่อนใช้ห้องน้ำควรทำความสะอาดหรือฉีดแอลกอฮอล์ G ort, ที่ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำสายฉีดชำระหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่บ้านที่ทำงานที่สาธารณะในรถโดยสารรถไฟเครื่องบินเอาเป็นว่าทุกที่ที่เราใช้ห้องน้ำเลยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อตัวคุณเองนี่คือหนึ่งใน12วิถีประชาที่ดีที่เราต้องปฏิบัติทันทีครับหมดโควิดชีวิตดีทาทันทีไม่ประมาท ก, การอย่าตกด้วยความปราถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์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 นำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทากศรัทธาบัน ด้วยคนนุณธรรมน้อมนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทางสถาปัตย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่อง รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกทันเหตุการ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟัง mm hmm. เช่นเคยนะครับนข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้นี่ก็ทางด้านเศรษฐกิจนะครับนอะวยเบีกฤตเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานเนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองแะครับนะเพราะาเป็นผลกระทบจากสงคราม ของรัสเซียยุคเเลครับนะทำให้พลังงานนิพัน์ผวนนะครับแล้วก็กระทบต่อราคาสินค้าที่พุ่งขึ้นสูงนะครับก็คงจะต้องอแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนนะครับในในส่วนของทางภาครัฐนะครับภาคเอกชนแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยไทยเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเป็กนะครับในช่วงของปลายปีนี้ซึ่งตรงนี้ในไฟ รัฐเอกชนนี่ก็พยายามที่จะเตรียมการให้ดีเพราะหามายถึงว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นมาการคค่าการลงทุนซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่จับตามองนายพอ์อารามวัฒนานนท์ผู้แทนหลักของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นก็น่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วครับเป็นประธานของ a p e ป c กซีโ m ซัม2022เนี่ยก็กล่าวว่าในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ a p e ปปลายปีนี้ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายนเนี่ยไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม a อเป็กซีนะครับ Summit. ขนานกันไปด้วยคือมีการประชุมภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเขาก็จะประชุมนะ a อเป็กซไปด้วยนะครับ นะครับซึ่งก็มีการส่งเสริมความนะมั่งคั่งการเติบโตของประชาชนและสังคมในเอเชียแปซิฟิกนะสู่การปรปับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านการค้าการลงทุนตลอดจนการแบ่งปันนะทงนวัตรกรรมอะไรต่างๆก็คือส่งเสริมความร่วมมือกันละครับนะเพื่อที่จะเติบโตนะเอเป็กก็คือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่อยู่ ชายขอบของมหาสมุทรแปซิฟิกทั้ง2 2ฝากน่แหละครับนะก็จะทำให้ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากนะของโลกนะภาคธุรกิจระดับโลกจาก2ี่เอเเศรษฐกิจก็จะมาหารือกันนะครับนะในช่วงปลายปีนี้ที่เมืองไทยก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อเข็ดเห็นนะครับส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะครับจัดการเร่งขยายการค้าการลงทุนซึ่งกันและ ก, กัน นะครับซึ่งไทยเรานี่เป็นเจ้าภาพนะเราก็จะทำให้ภาคธุรกิจไทยเราเนี่ยสู่เวทีระดับโลกนะและจากการที่ไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนนะมี GDP มูลค่าประมาณ5แสนล้านเหรียญสหรัฐน ะ, นะก็ก็ทำให้เรามีความสำคัญเอกชนก็จะเป็ น, นกลไกหลักในการเติบโตนะครับนะเ <นะ S 1> พราะฉะนั้นนี้ มีภาคเอกชนภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทยเรานี่ก็แข็งแกร่งนะมีภาคบริการเราก็เข้มแข็งเหมือนกันนะมีมูลค่าถึง 50% ของ GDP ของประเทศจุดแข็งของไทยก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็การบริการการเงิน ด, นด้านอาหารนะเพราะฉะนั้นไทยเรานี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของโลกนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ เราก็หวังว่ามันจะเติบโตขึ้นไปนะครับก็หวังอย่างนั้นในส่วนของอภาคเอกชนอย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็อย่า ง, างที่บอกแล้วครับว่าในส่วนนี้ในขณนะที่เรารเผชิญกับปัญหาการระบาดของโควิดเนี่ยมีการชะลอตัวนะครับนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนะก็มีการชะลอตัวกันกันอย่างมากเลยก็เพิ่งฟื้นกันขึ้นมานะครับนะก็เริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้นเนี่ย ก็หวังว่าการประชุมเอเป็ในช่วงปลายปีก็จะทำให้นักท่องเที่ยวนี่กลับคืนมา ส, ส, สู่สู่เมืองไทยของเรานะครับนะมีการท่องเที่ยวกันมากนะสูงมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เกิดการฟื้นตัวเพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่เป็นอุตสาหกรรมหลักของขอ ง, ของเศรษฐกิจไทยนะครับนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องเตรียมเตรียมรับนะครับนในส่วนของ รัฐบาลต้องร่วมมือกับในส่วนของธุรกิจภาคท่องเที่ยวนะครับนะให้มีการเตรียมเตรียมรับมือนะครับนะเร่งขยายตลาดของนักท่องเที่ยวแหะครับนะก็คงจะต้องอทําหลายๆทางเหมือนกันนะครับนะโดยเฉพา ะ, ะนักท่องเที่ยวนี่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าะจะมาจากทางอเมริกาทางยุโรปแล้วก็จริงๆแล้วในอาเซียนเหล่านี้ประเทศที่ม า, ทมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่ามาเลเซียสิงคโปร์อะไรทำนองนี้เพราะเขามีกําลังซื้อ นะครับนะแล้วก็อินเดียนี้ก็มามากนะครับนะก็คงจะต้องมีมาตรการรวมทั้งจีนเนี่ยนะครับนะั่นก็เป็นเบอร์ต้นๆ น, น, นะครับนะโดยเฉพาะเป็นมีประชากรนะับพันล้านคงจะต้องมีการเตรียมนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมนะครับจากโดยเฉพาะทางรถไฟนะครับนะทนี่เราจะต้องอทํารถไฟความเร็วสูงคั้เร็บปานกลาง รถไฟรางคู่นี้ไปเชื่อมอกับรถไฟจากจีนมาลาว์รถไฟความเร็วสูงของจีนมาลาว์นี่นะครับนะเราก็จะต้องเร่งในการที่จะเชื่อมต่อตรงแถวหนองคายไปที่เวียงจันทร์นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายคนไปเที่ยวก็จะเห็นนะครับรถไฟของลาวนี่พัฒนาไปมากนะเนื่องจากจีนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนี้ตรงนี้นี่ต้องต้องทําอย่างเร่งด่วนรวมทั้งในส่วนของอทาง เวียดนามก็พยายามที่จะสร้างเส้นทางรถไฟเส้นทางรถยนต์ที่เชื่อมต่อจากทางลาวไปยังท่าเรือน้ำลึกของเวียดนามนะครับนะทางเวียดนามตอนกลางนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็เขากำลังเร่งในการพัฒนานะก็จะทำให้การขนส่งสินค้านะจากลาวนี่อาจจะไม่ต้อง พึ่งมาตรพุทธของไทยนะจจะต้องไปออกทางเวียดนามเพราะนั้นตรงนี้นี่เราเป็นเรื่องที่แต่และประเทศนี่ต้องช่วงชิงที่จะเป็นฮับนะครัการคมนาคมการกระจายสินค้าในในภูมิภาคซึ่งซึ่งไทยก็คงจะต้องแข่งกับเวียดนามแล้วครับในการเชื่อมต่อลาวไปที่จีนนะก็เป็นเรื่องที่จะต้องบุกเบิกในโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ภาคเอกชนนะก็คงจะต้องพยายามที่จะ ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ภาคท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง แ, งแกร่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าประสบปัญหากันมากในช่วงโควิดเพราะตรง น, นี้คงจะต้องช่วยกันในหลายๆส่วนในการฟื้นเศรษฐกิจของบ้านของเมืองเรานะครับรับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อกับ ได้ยินไหมได้ยินหมตำนานรักใยายซารอคอยสามีกลับก่อนต่วันลาลับสัญญาจะกลับมาหากัน เป็นอย่างนั้น้ามีเธอหายไปเล่นเรือออกไปทะเลไกลสุดสายตาคงไม่กลับมาตามสัญญาแต่ฉันก็ยังรอยืนรอความหวังกับท้องทนเล จากกันฉันพร้อมให้สัญญาพัน แล้ฟังมาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะในช่วงนี้เนี่ยเร า, าเปิดสัมพันธ์ฟื้นสัมพันธ์กันใหม่นะระหว่างไทยกับซาอุดิอาราเบียนะครับนะซึ่งก็หยุดนิ่งกันไปเกือบ30ปีแล้วครับนะก็มปีประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์กันมาตอนนี้ฟื้นฟูความสัมพันธ์นนนนนขึ้นมาใหม่ซึ่งก็จะทำให้ นักลงทุนนักท่องเที่ยวจากซาอุดิอาระเบีย er ซึ่งเป็นประเทศยักษ uh ์ใหญ่ที่ค้าน้ํามันก็ you know, ผลิตเป็นแหล่งผลิตน้ํามันใหญ่ของโลกเนี่ยกลับคืนมานะครับเราก็จะเห็นว่าในส han, มัยก่อนเนี่ยก็จะมีคนไทยเรานะครับจากแถวภาคอีสานภาคเหนือหรือหลายๆภาคเนี่ยไปทํางานในซาอุด์นะได้เงินทองกลับมานะกันมากนะก็ร่ํารวยกันนะก็ตอนก็หายกันไปเกือบ 20-30 ปีแล้วครับ เพราะตรงนี้นี่ถ้าฟื้นได้ก็จะดีนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์และอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็บอกว่าก็จะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจไทยสวีเดียเบียนะครับนะก็จะให้เอกชนม า, ม า, ม, ามาพูดคุยกันตกลงค้าขายกันนะซึ่งก็มีอยู่ประมาณ352หคู่สามารถที่จะสร้างมูลค่าการซื้อขายอ่า ได้ทันทีในร3อล้านนะและภายใน1ปีก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,500 งหมนั้าล้านนะกลุ่มสินค้าบริการที่ได้รับความสนใจมากก็ได้แก่อาหารเครื่องดื่มนะการก่อสร้างนะครับแรงงานไปก่อสร้างแล้วก็ทางด้านการดูแลสุขภาพการค้าปลีกการ ข, าารขนส่งอัญมณีเครื่องประดับนะซึ่งก็ก็จะมีการนะเจรจากันนะครับนะก็ทำให้ าการค้าของเรากับซาอุดิอาระเบียนี่ก็กลับคืนมานะครับแล้วก็จะมีการร่วมมือกันระหวังซ u เปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในซาอุดิอาระเบียก็มีซ u เปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เอาสินค้าไทยไปจำหน่ายนะครับอย่างเช่นว่าจะเป็นข้าวไม่เป็นอาหารฮาลาลผลไม้นะครับนะซึ่งก็ทำให้สินค้าไทยเราก็น่าจะ แพร่หลายในใซาอุดิอาระเบียซึ่งก็หายไปจากตลาดเขามานานนะครับก็หวังว่าน่าจะน่าจะฟื้นฟูกันได้นะแล้วก็จะมีการเชิญผู้นำเข้าจากซาอุดิอาระเบียมาร่วมแสดงสินค้าด้านชาติในไทยนะครับนะก็การแสดงสินค้าต่างๆในไทยเราอย่างเช่นงานแสดงสินค้าบริการด้านโลจิสติกนะระาวันที่ 24-26 สิสิงหาคมศกนี้ในไทย นะครับแล้วก็มีการแสดงสินค้ายัมมีเครื่อนประดับในระหว่างวันที่ 7-11 ถึงกันยายนนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็จะทำให้การค้าการเจรจานี่กระเตื้องขึ้นมา น, น่าจะเป็นทางออกนะครับนะซาอุดิอาระเบียนี่เป็นคู่ค้าอันดับที่17ของไทยแลนะและเป็นคู่อันดับที่2ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในปี2665เนี่ยไทยซาอุดิเบียมีมูลค่าการค้าระหว่างกาันถึง2 3 2 7 5 7ล้านนะครับนะก็เพิ่มขึ้นนะครับนะพอหลังจากฟื้นสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มขึ้นการค้าเพิ่มขึ้น 35.75 เนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็จะทำให้ต่อไปเราก็จะน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะแล้วก็สินค้าที่ไทยเราส่งไป ซาอุดิอารเบียห้าอันดับแรกนะใน5เดือนของปีนี้ก็ได้แก่รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์นะพวกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นะครับผลิตภัณฑ์ยางอาหารทะเลกระป๋องนะะอาหารแปรรูปต่างๆนะครับแล้วก็มีเครื่องจกักนระส่วนประกอบของนะเครื่องจักรกลนะแล้วเรานำเข้าจาก ซาอุดิอารเบียเนี่ยห้าอันดับแรกก็ได้แก่น้ำมันดิบนะเป็นหลักแล้วครับเรามากลัน่นเป็นน้ำมันในเมืองของเราแล้วก็เคมีพันุ์พวกปุ๋ยพวกยากำจัดศัตรูพืชนะแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปนะแล้วก็สินแร่โลหะต่างๆนะครับซึ่งก็มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักแล้วครับนะเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกแล้วครับว่าซาอุดิอารเบียนี่เป็นเป็นมหาอำนาจ ในในในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีประเทศใหญ่ๆญนะหลายประเทศนะไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาร์เบียอิหร่านนะครับหรือว่าซีเรียนะครับแต่ก็ซาอุดิอาร์เบียนี่ก็เป็นประเทศมหาอำนาจทางน้ํามันแหละครับที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาน ะ, น ะ, น ะ, น ะ, ะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่น้ำมันของโลกเนี่ยเป็นคนที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรานําเข้าน้ํามันดิบจากซาอุดิอาร์เบียมาเราก็จะต้องมา มากั่นในโรงกั่นของเราซึ่งโรงกั่นในเมืองไทยเรามีอยู่ 4- ีหโรงกั่นนี่ก็ก็เป็นโรงกั่นที่มากั่นเป็นน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลน้ํามันต่างๆนี่แหละครับนะอย่างอย่างที่บอกแล้วครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ถ้าราคาน้ํามันของโลกนี่สูงนี่ก็จะทําให้ราคาน้ํามันในในประเทศนี่สูงไปด้วยนะซึ่งมันจะผูกพันกันเราคงจะต้องฟื้นสัมพันธ์นี่ โดยเฉพาะแรงงานไทยเราเนี่ยนะครับถ้าในอดีตนี่ไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียนี่ค่าแรงต่อ ว, วันนี่สูงนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นตลาดแรงงานนะว่านะนะนะที่ผ่านมานะความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยซาอุดิก็งดรับแรงงานจากไทยเราไปเกือบ 20-30 ปีนะแรงงานไทยเราส่วนใหญ่ก็จะไปนะทำงานอยู่ในเกาหลีนะครับเป็นหลัก กาลีใต้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของญี่ปุ่นก็มีหรือว่าในส่วนของสิงคโปร์นะครับนะมาเลเซียนี่มากนะครับนะแรงงานของเราไปอย่งประเทศเหล่านี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในโซนออกกลางนี่เราก็ไปประเทศอื่นๆแต่ก็ยังปริมาณยังไม่สูงถ้าเราเชื่อมสัมพันธ์ได้นี่ก็จะทําให้ตลาดแรงงานของเรานี่ไปไปทำงานในเซาร์เบียรก็จะมีรายได้นะเข้ามานะครับนะในประเทศ เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับการความสัมพันธ์การฟื้นอะไรต่างๆเศรษฐกิจเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เชื่อมโยงกันไปทั่วโลกแล้วครับถ้าเรามีการาเชื่อมโยงการลงทุนนะแล้วในอนาคตี่การพัฒนาแรงงานของไทยให้มีทักษะนะซึ่งนอกจากจะใช้แรงงานอาจจะเป็นทักษะเกี่ยวกับเรื่องของ ทางด้านการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เทคโนโลยีเป็นทักษะที่สูงขึ้นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องทำแหละครับนะเพราะว่าอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะที่เข้ามาลงทุนน่าจะเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นไทยเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับนะเพราะอาจจะต้องมีคู่แข่งก็คือเวียดนามนะครับนะเพราะวาเวียดนามนี่ก็ดึงบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทไอทีขนาดใหญ่ไปอยู่ใ น, ในเวียดนามนี่มากเหมือนกันเพราะฉะนั้นไทยเราก็ก็จะต้องทํา เขตอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นมาแข่งกันนะครับนะเพราะจะจะดึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยมามาลงทุนในไทยของเราได้เหมือนกันเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องดูในอนาคตที่จะต้องมีการพัฒนากันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของเร า, ารแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควนบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสู่บุรีครับสําหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธนันต้องขอลาต้องไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ นำนานเล่าขานผ่านมาโนมนานบอกลูกหลานรุ่นหลังฟังให้ดีเรื่องความรักความโศกโซภาโซ พ, โซพีจบลงที่ความโศกเศร้าของชายหญิงสาว ร, รักกันมาหลาย ความรักคงทีและมันคงน้องเป็นคููพี่เป็นเพียงคนขับรถจนจนดาขยันอดทนเพื่อเธอนะนด้วยเพียงไหนทนเฝ้าทำเพื่อเธอทุกอย่างที่ได้ความรักจับยอม มีความรักแต่พลังเพื่อเธอยิ่งใหญ่อยากเอาไปพร้อมกับเธอผู้เดียวแล้วที่สุดเรื่องราวมรสุมผ่านมาพ่อแม่จะโปรเห็นใจข้าทีรักกันอยู่ แยกกันทำชีวิตเกิดเป็นคนชาตินี้มีแต่สวยน้องโดนเปียนนามตาไหลที่น้องสองแก่เหมือนมีแทงเชือนกลามใจพี่ต่อความจนจึงต้องทนแค่ใจเหลือที่จบแค่นี้ลาที ความระทบและสุดท้ายควมเป็นคนก็มาถึงที่สุดแสนรันทษก